เรื่องเล่าผีหลอนตอนแอบตายที่ใต้เตียงเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่คุณหนึ่งได้พบเจอมาด้วยตัวเองโดยเรื่องที่คุณหนึ่งเล่าให้ฟังก็มีดังนี้ครับผมขอเท้าความของเรื่องนี้ก่อนนะครับ ผมเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วต้องเข้ามาเรียนในกรุงเทพดังนั้นผมก็เลยต้องเช่าหอพักอยู่ครับในช่วงปีหนึ่งผมอยู่หอคนเดียวก็ไม่ได้รู้มาก่อนหรอกครับว่าหอนี้มีอะไรจนกระทั่งผมขึ้นปีสองก็มีเพื่อนคนหนึ่งย้ายเข้ามาเรียนที่สาขาเดียวกันกับผมเพื่อนของผมคนนี้ชื่อว่าบอยครับ เราทั้งสองคนสนิทกันมากวันหนึ่งผมก็คิดได้ว่าการอยู่หอคนเดียวมันเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากผมจึงตัดสินใจชวนบอยเข้ามาอยู่ด้วยกันแชร์ค่าห้องกันหลังจากที่อยู่ด้วยกันไปสักพักบอยก็มีแฟน ด้วยความที่ผมไม่อยากไปกวนบอยก็เลยตัดสินใจย้ายออกมาเพราะคนมีแฟนผมก็คิดว่าเขาก็คงอยากจะอยู่กับแฟนของเขาผมย้ายออกมาอยู่หออื่นในซอยถัดไปจากซอยเดิมตลอดเวลาสาสี่เดือนที่ผมย้ายออกมาคู่ของบอยกับแฟนก็แลดูปกติดีจนกระทั่งเข้าเดือนที่ห้า ทั้งคู่ก็เริ่มมีปากเสียงกันทะเลาะกันอยู่บ่อยๆซึ่งสาเหตุก็เรื่องเดิมๆคือฝ่ายหญิงคิดว่าบอยแอบไปมีผู้หญิงคนอื่นการทะเลาะกันของทั้งคู่เริ่มบ่อยมากขึ้นจนเป็นสาเหตุให้ฝ่ายหญิงตัดสินใจกระโดดตึกฆ่าตัวตายหลังจากคืนวันที่แฟนของบอยกระโดดตึกตายนั้น เช้าวันรุ่งขึ้นผมและเพื่อนก็พบกับบอยที่คณะในตอนนั้นเองผมยังไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพียงแต่ผิดสังเกตว่าทำไมแฟนบอยถึงไม่มาด้วยเมื่อผมถามบอยก็อึกอักไม่ยอมตอบจนเพื่อนๆเริ่มเค้นหาความจริงบอยจึงตัดสินใจเล่าให้พวกเราฟัง บอยได้เล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังว่าในคืนนั้นบอยกับแฟนทะเลาะกันนอนหันหลังให้กันเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆจู่ๆแฟนของบอยก็ลุกขึ้นแล้วเดินไปเปิดประตูกระจกเพื่อออกไปด้านนอกระเบียงด้วยความที่ห้องน้ำอยู่ด้านนอกและต้องเปิดประตูกระจกออกไปเพื่อจะไปเข้าห้องน้ำบอยจึงไม่ได้เอะใจอะไร บอยคิดว่าแฟนของเขาคงจะลุกไปเข้าห้องน้ำแต่เหตุการณ์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแฟนของบอยเปิดประตูกระจกแล้วก็พุ่งตัวไปกระโดดตึกทันทีพวกผมที่ได้ฟังก็นึกว่าบอยทะเลาะกับแฟนก็เลยแต่งเรื่องมาอั้มพวกเราเล่นเพราะพวกเราไม่เชื่อสิ่งที่บอยเล่าให้ฟังบอยจึงบอกให้พวกเราไปที่ซอยหอของบอยดู แล้วพวกเราก็พากันไปตามที่บอยบอกก็พบว่าเรื่องเมื่อคืนนั้นมันดังมากจริงๆเพราะเมื่อพวกเราเดินเข้าไปในซอยก็มีเสียงคนคุยกันถึงเรื่องเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ตั้งแต่ร้านข้าวร้านแรกไปจนตลอดทางซึ่งผมนั้นเชื่อแล้วครับว่าบอยเล่าเรื่องจริง หลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปบอยยังคงใช้ชีวิตอยู่ที่ห้องเดิมด้วยความที่ติดสัญญาค่าเช่าและตัวบอยเองก็ไม่ได้เป็นคนมีเงินมากมายอะไรในคืนแรกยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่พอคืนที่สองบอยเห็นแฟนของบอยเองนอนตะแคงเอามือเท้าคออยู่บนหลังตู้เสื้อผ้าแล้วยิ้มให้กับบอย โดยส่วนตัวแล้วบอยเป็นคนไม่กลัวผีและผีที่เห็นก็คือแฟนของบอยเองที่เพิ่งเสียชีวิตไปบอยจึงไม่ได้หวาดกลัวมากคืนที่สเธอก็ขึ้นมายืนบนเตียงแล้วก้งโค้งมองบอยนอนหลับแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงช้าๆว่าบอยไปอยู่ด้วยกันไหมบอยตอบปฏิเสธเธอไปว่าไม่ไปหรอก ยังเรียนไม่จบและอีกหลายๆคืนต่อจากนั้นบอยก็ยังเล่าต่ออีกว่าบอยมักจะโดนรบกวนเสมอเสมอเช่นดึงขาเวลานอนบ้างดึงผมตอนอาบน้ำบ้างซึ่งบอยรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วบอยจึงเอาเรื่องนี้มาปรึกษาพวกผมผมจึงพาบอยไปวัดแห่งหนึ่งเพื่อพบกับหลวงพอ่อ แต่ตอนนั้นหลวงพ่อไม่อยู่แต่ก็มีเหมือนหมอที่พอมีวิชาเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นและพวกเราก็เลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เขาฟังหมอท่านนั้นแนะนำว่าให้บอยลงไปนอนใต้เตียงเป็นเวลาเจ็ดวัน ก็คือหลังจากเรียนเสร็จกลับมาให้บอยนอนใต้เตียงทันทีไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็ห้ามออกมาจากใต้เตียงเด็ดขาดตลอดระยะเวลาสามวันแรกผมก็มาดูบอยเรื่อยๆก็เห็นมันนอนใต้เตียงจริงๆครับก็ดูปกติดีไม่มีอะไรจนเข้าวันที่สี่ซึ่งเป็นวันสอบปลายภาค ผมแปลกใจมากที่บอยไม่มาสอบซึ่งปกตินักศึกษาไม่ขาดสอบกันอยู่แล้วเย็นวันนั้นประมาณหกโมงเย็นผมและเพื่อนตัดสินใจไปที่ห้องของบอยแต่พวกผมก็เข้าไปในห้องไม่ได้เพราะลูกบิดล็อกอยู่ผมรู้ดีว่าตอนนี้บอยอยู่ในช่วงทำพิธีอะไร ดังนั้นก่อนหน้านี้ผมจึงบอกบอยว่าอย่าล็อกประตูห้องเป็นอันขาดแต่ในเมื่อวันนี้ลูกบิดมันล็อกผมจึงเรียกแม่บ้านให้ช่วยไขกุญแจเปิดประตูห้องของบอยให้หน่อยเมื่อเปิดประตูเข้าไปห้องนี้มีแต่ความมืดเนื่องจากตอนนั้นเป็นเวลาเย็นแล้วและห้องก็ปิดม่านเอาไว้หมดกลิ่นเหม็นตลบอบอวนอยู่ในห้อง แม่บ้านเดินเข้าไปในห้องเป็นคนแรกแต่แล้วแม่บ้านก็สะดุดเข้ากับแขนของใครคนหนึ่งจนเกือบล้มผมประคองแม่บ้านไว้ได้แต่ผมก็ต้องพบว่าแขนที่แม่บ้านสะดุดนั้นเป็นแขนของบอยที่นอนอยู่ใต้เตียงพวกผมรีบยกเตียงขึ้นภาพที่เห็นก็คือบอยนอนลิ้นจุกปากแขนกลางออกมาข้างนอก ที่คอมีรอยแดงอยู่รอบๆเหมือนโดนบีบคอวินาทีนั้นผมคิดถึงหมอคนนั้นที่บอกให้เพื่อนของผมนอนใต้เตียงเจ็ดวันแล้วจะรอดแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้ละ่ะผมตัดสินใจนั่งแท็กซี่ไปในคืนนั้นเพื่อพบกับหมอคนนั้นทันทีผมจะไปถามให้รู้เรื่องไปเลยว่าทำไมผลถึงออกมาเป็นแบบนี้ เมื่อผมพบกับหมอแล้วก็ถามหมอไปหมอถามกลับมาว่าตอนที่ผู้หญิงคนนั้นกระโดดตึกเธอลงมาในสภาพไหนด้วยความที่ผมไม่ทราบผมเลยโทรหาแม่บ้านเพราะแม่บ้านเขาเห็นเหตุการณ์ซึ่งแม่บ้านบอกว่าเธอเอาหัวลงหลังจากทราบคําตอบจากแม่บ้านแล้วหมอก็บอกกับผมว่า ผู้หญิงเขามาเขาไม่ได้เอาเท้าเดินเขาเอาหัวเดินเดินรอบเตียงเลยคือเอาหัวไถๆไถมากับพื้นเขาเลยเห็นบอยนอนอยู่ใต้เตียงนั้นแล้วเขาก็เลยเอาบอยไปและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจากคุณหนึ่งด้วยนะครับ